2. อ, อัญญาวาทกะสิกขาบท 65. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนเพราะทำสงให้ลำบากณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงโกสัมพีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระฉนนะถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนในอัญญะวาทกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐาน